ว่างจากวันวานและวันพรุ่งความหุ่นที่บทบางความว่างอย่างมิดชิดนั้นสะพัดไปด้วยหมอกควันแห่งจินตนาการเรื่องผ่านไปแล้วยังหลอกหลอนวกวนเรื่องยังมาไม่ถึงยังรบกวนล่วงหน้าเราหลุดจากวันวานไม่สำเร็จเพียงเพราะมองวันวานเป็นวันนี้ หรือผูกมัดวันนี้ไว้กับวันวานต่อเมื่อทอดมองออกมาจากความว่างจึงจะเห็นวันวานล่วงลับแล้วที่เหลืออยู่คือวันนี้ที่มีจริงคือเดี๋ยวนี้เราหยุดเห็นภาพลวงตาของวันพรุ่งไม่ได้เพียงเพราะมองว่าวันพรุ่งคือวันนี้หรือผูกมัดวันนี้ไว้กับวันพรุ่ง ต่อเมื่อทอดมองออกมาจากความว่างจึงจะเห็นวันพรุ่งยังไม่เกิดที่เกิดอยู่คือวันนี้ที่เป็นจริงคือเดี๋ยวนี้วันวานคือวัตถุดิบเลอค่าน่าศึกษาแต่ความฝังใจกับวันวานคือโรคร้ายที่เรื้อรังวันพรุ่งคือเป้าหมายจูงใจให้ก้าวเดิน แต่การกลัดกลุ่มกับวันพรุ่งคือไข้สูงเข้าขั้นเพอเมื่อใจว่างจากวันวานและวันพรุ่งจึงค่อยคิดใช้อดีตให้เป็นประโยชน์และไม่เกิดโทษเมื่อคิดวางแผนสู่อนาคต